ฉันจะแช่งให้จุดจุดต้นหอมใบมะกรูดขอให้บูดตลอดไปนำใบปลุกกับอาหารให้รับประทานอร่อยถูกใจกินเข้าไปกินเข้าไปสุดท้ายให้กิดสำแดงปีหน้าทำไมมาแต่งฉันจะแช่งให้จุดจุดทาร้อนก็ให้บูดเย็นก็บูดสุดแสดงจำคำเธอ ้บาด้วยรักจึงแชงนิ่มๆรอให้กินอิ่มท้องอย่างสบายด้วยรักจึงแชงนิ่มๆรอให้กิ่อิ่มแล้วท้องค่อยทายแชงอย่างอื่นก็กลัวเธอตา ถ้าเธอลืมคำพูดมองมานรูดให้เป็นตาแดงลองเป็นคน 他他